เนี่ยนะตัวสติ <c oughs> ทีนี้ในข้อหนึ่งเลยนะที่ว่าตัวอารมณ์ของสติได้แก่อะไรตัวอารมณ์ของสตินั้นก็คือกายเวทนาจิตธรรมหรืออุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้านั่นแหละคืออารมณ์ของของสติเนี่ยนะอุปาทานขันห้าเป็นอารมณ์ของสติของธรมตนฉบับไ่มใช่ นั่งเอาต้นให้กันไม่เอาลูกหลานนะ้าตัวอารมณ์ของสตินั้นได้แก่กายเวทนาจิตธรรมน ะ, ะถ้าธรรมะหมวดที่เราคุ้นนะก็คือตาสีจักคูวิญญาณภาษะเวทนาสัญญาเจตนาวิตกวิจารณ์ะนะพวกนี้ทั้งหมดเป็นอารมณ์ของของสติเนี่ยนะ ส่วนอีกในยะหนึ่งนะก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นอารมณ์ของของสตินะนะอารมณ์ของสติเพราะฉะนั้นเวลาพระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึงอารมณ์ของสติพระองคก์ก็ก็จะแสดงถึงว่ากายนี้เกิดจากอะไรนะกายนี้ก็เกิดจากอาหารมีอาหารเป็นแดนเกิด อันนี้แสดงว่าพระองค์นีทรงแสดงสติปฐานโดยตัวอารมณ์ของสติเนี่ยนะคำว่าสติปฐานบางทีก็หมายถึงอารมณ์ของสตินความหมายที่1ความหมายที่สองก็คือหลักที่ภาษาสดาวเวล า, ส, าสอนสาวกเนี่ยพระองค์ทรงตั้งสติไว้3อย่างนะเวลาสอนสาวกแล้วก็ความหมายที่สตัวสติ ตัวสตินั้นสติที่สติประฐานสี่ที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วมีอะไรเป็นอนิสงส์มีโพชงเป็นอนิสงส์โพชงที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วมีอะไรเป็นอนิสงส์มีวิชาและวิมุตเป็นอ น, นิสงส์ถามว่าสติประธานสี่มีอะไรเป็นอาหารสุดจริตสามเป็นอาหารของสติประธานสี่นะซึ่งวันต่อต่อไปเราจะได้กล่าวว่าตัวสติเองก็เกิดจาก สุจริตสามเพราะฉะนั้นในการพิจารณาอารมณ์หนึ่งอารมณ์เนี่ยนะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องกายะสุจริตในอารมณ์วจีสุจริตในอารมณ์แล้วก็มโนสุจริตในอารมณ์สุจริตสามก็คือศีนนั่นแหละเนีย่ยนะในอารมณ์หนึ่งอารมณ์นั้นถ้าเราไม่สามารถพิจารณาโดยศีลได้ที่จะไปพิจารณาโดยขันธ์ธาตุอยะตนะก็คงคงยากเนาะก็ศีนยัง ให้กุศลและสิ่ยังไม่เกิดเลยจะเอาวิปัสสนาทำยังไงเนาะวันนี้มาฟังอภพพาสูตรสิอภพพานี่แปลว่าควรอภพพาก็คือผู้ไม่ไม่ควรนะเฉพาะศัพท์นะแต่ว่าตรงนี้นี่เอามาจากข้อความในอังคุตรนิกายทัศกานิบาทฉบับเก้าสิบเอ็ดเล่มก็อยู่เล่มที่สามสิบแปดนะเล่มสามสิบแปด ถ้าทับยางนั้นแสดงว่าข้อ76สหน้าสองสสถึงหน้าสองหยนในในพระไตรปิฎกฉบับ91เล่ม น, นะก็เพราะธรรมะสามประการนี้มีอยู่ในโลกพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าจึ ง, จงบังเกิดในโลกธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้จึงรุ่งเรืองในโลกเนี่ยนะหัวข้อใหญ่เลย ก็คือว่าเพราะมีธรรมะสามอย่างแท้ๆจึงมีพระพุทธศาสนาว่า ง, งั้นเถอะถ้าธรรมะสามอย่างนี้ไม่มีก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาเลยพระองค์ตรัสว่าดูก่อนที่สู่ทั้งหลายธรรมะสามประการนี้ไม่พึงมีในโลกพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่พึงบังเกิดในโลกธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้แล้วไม่พึงรุ่งเรืองในโลก ธรรมะสมประการเป็นฉไนคือชาติ 1. ความเกิดนะชาราและมรณะเนี่ยนะเพราะมีธรรมะสามอย่างนี่แหละพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบังเกิดขึ้นในโลกตถาคตหมายถึงว่าไงนะผู้เสด็จมาอย่างนั้น2ผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้ทรงเห็นลักษณะที่แท้จริงนั่นแหละนะเอาไปท่องจําหัวข้อก่อนนะ ภาตาถาคตอรหันแปลว่าอารหันนี่หมายถึงว่าไงนะไกลาจากกิเลสกรรมจัด่าสึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักเป็นต้นและสัมมาสัมพุทธละล่ะสัมมาสัมพุทธะก็ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองว่าธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งเป็นต้นนะนั่นเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะ<อ>นี่ก็คือเท่ากับประกาศพุทธคุณโดยยอด่อเลยนะ เพราะมีธรรมะสามอย่างนี่แหละคือชาติชรามรณะ อ, องค์ธรรมได้แก่อะไรชาติชรามรณะเนี่ยได้แก่เราเคยได้ฟังนะชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังเพราะฉะนั้นต้องหมายถึงอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าคืออะไรนะย่อยๆก็คือตาหูจมูกเล่นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพธะและธรรมรม อะไรรู้ป่ะสรุปได้ยังว่าอะไรที่นั่งๆกันอยู่นี่แหละเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกเขาไปงานศพที่หนึ่งะ<ๆ>เขามีโยมคนหนึ่งเขาคล่ำครวญนะโอ้ยเขาตายใช่ไหมตายเขาก็ร้องให้ว่าเออความตายเนี่ยใครนะเป็นคนเอามามันมาตั้งแต่เมื่ อ, อไรเขาไม่รู้เอามาตั้งแต่เกิดนั่นแหละถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายรอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นความตายก็มาพร้อมกับความเกิดนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเมื่อมีการเกิดมีชีวิตเป็นอยู่ลักษณะนี้นียแลชีวิตเป็นอยู่ลักษณะแบบนี้จึงมีพระพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้ามีเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะช่วยหรือสัตว์ให้พ้นจากสภาพที่เป็นแบบนี้นั่นเองดูกรที่สูตรทั้งหลายธรรมะทั้งสามประการนี่แลไม่เพิงมีในโลกพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่พึงบังเกิดในโลก ธรรมวินัยอันพระตถ า, าคตทรงประกาศไว้แล้วไม่พึงรุ่งเรืองในโลกดูก ร, รัพิกูุนทั้งหลายก็ธรรมะสามประการนี้มีอยู่ในโลกฉะนั้นพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบังเกิดในโลกธรรมวินัยที่พระตถ า, าคตทรงประกาศไว้จึงรุ่งเรืองในโลกนะมีพระ พ, พุทธศาสนาเพราะมีเกิดแก่ตายนี่เองนะถ้าไม่มีสาอย่างนี้พุทธศาสนาจะไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทุกนั่นเองเขาจึงปรารถนาเพื่อจะช่วยสัตว์ให้พ้นจากจากทุกเนี่แหละจึงมีพระพุทธศาสนาเพราะเห็น<ม>เห็นสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละเป็นทุกทีนี้พอพระองค์นี้ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยเมื่อสัตว์ได้รับความทุกข์อยู่ธรรมะวินัยเนี่ยนะคือพระไตรปิฎกก็เลยรุ่งเรืองในโลกสําหรับผู้ที่ปรารถนาเพื่อที่จะพ้นไปจาก ชาติชราและมรณะนะแต่พระ อ, องค์แสดงธรรมะไม่จบอยู่แค่นี้ใช่ไหมพระ อ, องค์ก็แสดงถึงเรื่องปัจจัยต่อไปอีกว่าดูกรรภิกสูทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการแล้วก็ไม่อาจละชาติชาามรณะได้3ประการเป็นไนคือราคะโทสะโมหะดูกรรภิกสูทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะมประการนี้แล้วก็ไม่อาจละชาติชาามรณะได้นะ ถ้ายังมีโลภะโทสะโมหะอยู่ยังไงก็ต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วแก่ก็ตามมาเมื่อแก่แล้วตายก็ตามมานะถ้าหากว่ายังไม่หมดกิเลสยังไงก็เกิดอีกตามสมควรแก่กรรมและกิเลสนั่นแหละเป็นปัจจัยให้ให้เกิดดูกรพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสาประการแล้วก็ไม่อาจละราคะโทสะโมหะได้นะเอาสูงสุดเลยนะว่าผู้ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายก็คือใคร พระอรหันต์พระอรหันต์นั่นแหละท่านละราคะโทสะโมหะได้เอที่นี่แล้วราคะโทสะโมหะมันจะละได้ยังไงท่านบอกว่าต้องละทำสม3ประการก่อนธรรมสามประการคือสกายทิฐิความสำคัญในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาคือคือถ้าว่าเป็นเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเฉยๆเนี่ยบางทีไม่ได้บ่งถึงความเป็น สกายทิฐิเสมอไปนะเพราะว่าสกายะทิฐินี่ก็คืออัตตานุทิฐินั่นเองก็คือตามเห็นนะความเห็นที่สําคัญว่าขันห้าเป็นเป็นอัตตาเลยอ่ะถ้าหากว่าเป็นสกายะทิฐินะจะต่อด้วยอุเฉททิฐิและสัสตทิฐิสกายะทิฐิมียีสบเป็นสัสตะทิฐิเท่าไรสิบหเป็นอุเฉททิฐิห้า ถ้าผู้ใดสำคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตานะพวกนี้ติดต่อด้วยอุดเฉททิธิที่เหลือเป็นสัสตตทิธิทีนี้ว่าผู้ที่จะละราคาโทสะโมหได้ต้องละสกายทิธิละวิจิกิจชาแลละสีละพาตะปรามาัวิจิกิจกชาคืออะไรคือความสงสัยในชั้นต้นก่อนนะสงสัยในวัตถุแปประการก่อนสงสัยในคุณของ พระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปรหรือเรียกว่าสิกขาสงสัยในสิกขานั่นเองและสงสัยในอะไรอีกนะสงสัยในกรรมในผลของกรรมใช่ไหมเดาหรือเปล่าอย่างนี้เดาไงๆเลยนึกไม่ออกเลยว่าไม่เข้าสูตรเลยนะจําได้สิพวกกันมีอะไรให้ครบแปดมั้ง นึกไม่ออกนะโ อ, อสาถุ อ, อนั่นอีกในหนึ่งอันนะแล้วก็สงสัยในวัตถุสิบหกอย่างนะขอ้อข้อต้นเนี่ยนะสงสัยแปดอย่างมีสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นนะแล้วก็สุดท้ายก็สงสัยในขันธ์าตุอายตนะที่เป็นอดีตหรือว่าอันนั้นอวิชชาเนาะบอกจําไม่ได้กันแล้วพี่ไม่ได้เตรียมตัวมาต่อไปนะสงสัยใน สงสัยในอดีต5สงสัยในอนาคต5สงสัยในปัจจุบัน6อย่างวิจิิจชามีวัตถุ16กวิจิตรชามีวัตถุ16เดียววัน ต, ต่ต่อไปเราคงได้เรียนที่จริงแล้วเมื่อวันเสาร์ก่อนโน้นเนี่ยนะในมหาตันหาสังคยาสูตรเรากล่าวไปครั้งหนึ่งแล้วนะโดยหัวข้อคร่าวๆนะตอนเรียนวันเสาร์ไม่ใช่เสาร์ที่แล้วนะเสาร์อดีตตะการที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นหนึ่งเสาร์ และศีลพัต์ปรามาสศีลพัต์ปรามาสคืออะไรคือความประพฤติความยึดมั่นในศีลพรนเนี่ยนะความถือมั่นในศีลพรนที่นอกจากคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าะนะความข้อปฏิบัติที่นอกคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเรียกว่าศีลพัต์ปรามาส ดูกราพิสูจทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3าประการนี้แลว้วก็ไม่อาจละราคะโทสะโมหะได้ดูกราิสูจทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสประการแลว้วก็ไม่อาจละสากายะทิถิวิจิกิจชาสีละพัตตรา rama ตได้นะขนาดสักายะทิถิวิจิกิจชาเนี่ยต้องละอย่างอื่นก่อนนะจึงจะมาละอย่างนี้ต้องมีด่านก่อนดูกราพิสูจทั้งหลายนะสประการเป็นชนะคือ การกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบขายนี่ก็คืออโยนิสโสมนัสิการนั่นเองการเสพทางผิดเสพทางผิดคืออะไรคือมิจฉาทิฐินั่นแหละแล้วก็ความหดหู่แห่งจิตหดหู่คือธีนามิธาเนะดูกระพิสูุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสามประการนี้แลก็ไม่อาจละสักกายทิฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาตได้เห็นจะต้องละสามอย่างนี้ก่อน ดุกราภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการแล้วก็ไม่อาจละการกระทําไว้ในใจโดยอุบายไม่เย็บคายคืออโยนิโสมนัิการการเสพทางผิดความหดหู่แห่งจิตได้นะต้องละ3ประการก่อน3ประการเป็นไงคือความเป็นผู้มีสติหลงลืมเนี่ยนะคนหลงลืมสติความไม่มีสัมปชัญญะ ความฟุ้งซ่านแห่งจิตดูกราภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสประการนี้แล้วก็ไม่อาจละการกระทําไว้ในใจโดยอุบายไม่เย็บคายการเสพทางผิดความหดหู่แห่งจิตได้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะรีบไปละอโยนิโสเลยนะนะนะต้องละก่อนหน้านั้นมาก่อนละก่อนหน้านั้นก็คือละความเป็นผู้หลงลืมสติถ้าใช้คําว่าสติตรงนี้เนี่ยนะให้นึกถึงสัมปชัญญะบัพเพะเอาไว้นะ ถ้าสติตรงนี้ส่วนใหญ่นะครับว่าสติกับสัมปชัญญะนั้นน่ะในพระไตรปิฎกหรือในอัตถาอธิบายเป็นสัมปชัญญะ4เป็นหลักเนี่ยนะเราเวลาจะอธิบายตรงนี้ให้ให้ถูกให้สอดคล้องก็ต้องเอาสัมปชัญญะสี่นั่นแหละมาอธิบายดุกระพิสูจ์ทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสาประการนี้แล้วก็ไม่อาจละการกระทําไว้ในใจโดยไม่แยบคลายการเสพทางผิดความหดหู่แห่งจิตได้ ดุกราพิสูจนทังหลายบุคคลไม่ละธรรมะสมประการแล้วก็ไม่อาจละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้นะจะต้องละอย่างอื่นนะจึงจะละอย่างนี้ได้3ประการเป็นฉไงคือความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะ1ความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมะของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดแข็งดี3ตัวนี้แหละที่ทําให้ไม่มีสติ สัมปชัญญะทําให้จิตฟุ้งซ่านนะแสดงว่าธรรมะสามอย่างนี้จะต้องละก่อนเป็นข้อต้นต้นดุกรพิสูทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสามประการนี้แล้วก็ไม่อาจละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้ดุกรพิสูนทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสามประการแล้วก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะ ความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมะของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีได้จะต้องละอย่างอื่นอีกนะ3ประการเป็นไงคือความฟุ้งซ่านหนึ่งความไม่สํารวมหนึ่งความทุศีลหนึ่งทุศีลก็คือไม่มีศีนอ่ะนะดูก ร, ราพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสมประการนี้แล้วก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่ใค ร, Debbie, ร่เห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมะของพระอริยะความเป็นผู้มีจิต แข่งดีได้ดูกราพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสามประการแล้วก็ไม่อาจละความฟุ้งซ่านความไม่สํารวมความทุศีลได้สามประการเป็นฉไนคือความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาหนึ่งความเป็นผู้รู้ความประสงค์หนึ่งะรู้ความประสงค์ไม่รู้ความประสงค์นี่หมายคำว่าไงหมายคำว่ามัจฉริยะแปลว่าอะไรตันีนั่นแนะ คนต น, นีนี่ไม่อยากเห็นพระอริยนะเห็นแล้วต้องให้ทานนละยรับไม่ได้เห็นแล้ว อ, อยากําบุญเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะต้องละตัวนี้ก่อนแล้วก็ความเกียรติครั้งหนึ่งคนขี้เกียจก็หมดสิทธิ์เลยลูกกราพิษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสามประการนี้แล้วก็ไม่อาจละความฟุ้งซ่านความไม่สํารวมความทุศีลได้ ดุกราพิสูจทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสาประการแล้วก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ความเกียดคร้าน3ประการเป็นฉไนคือความไม่เอื้อเฟื้อหนึ่งะไม่เอื้อเฟื้อก็คือขาดเมตตานั่นแหละความเป็นผู้ว่ายากหนึ่งความเป็นผู้มีมิตรชั่วหนึ่งนะบป่าประมิตรนั่นเองโดุกราพิสูจนทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสาประการนี้แล้วก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธา ความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ความเกียดคร้านได้กว่าจะไปละกิเลสนี่ไม่ใช่ของง่ายๆนะอยู่ๆมาละอัตตาเลยไม่ได้นะเราต้องมาละจนต้นก่อนวันนี้ไปจะละแต่อัตตาอย่างเดียวเลยอะ่ะจำไหมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอย่างเดียวไม่รู้อย่างอื่นก่อนหน้านั้นมาไม่รู้อะไรสักอย่าง ดุกราพิสูุ์ทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสประการแล้วก็ไม่อาจละความไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้สประการเป็นฉะนัยคือไม่มีหิริหนึ่งะหิริคืออะไรไม่อายต่อการทำชั่วไม่อายต่อการพูดชั่วไม่อายต่อการคิดชั่วไม่อายต่ออาุณและธรรมนะอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีหิริไม่มีโอตปาก็คือไม่เกรงกลัวต่อ การทำชั่วทางกายไม่เกรงกลัวต่อการทำชั่วทางวาจาไม่เกรงกลัวต่อการคิดชั่วทางใจและไม่เกรงกลัวต่อบาปอากุศลและความประมาทหนึ่งเห็นไหมไม่มีหิริไม่มีโอตะปะความประมาทประมาทคืออะไรก็คือปล่อยจิตเป็นไปกับกรมคุณทั้งห้านะโดยที่ไม่ทำกุศลให้ต่อเนื่องติดต่อ น, นั่นแหละ ดุกรภิสูุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสามประการนี้แล้วก็ไม่อาจละความไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้ น, นจะเห็นลำดับของของธรรมะนะว่าพระผู้มีพระภาคนั้นทรงแสดงธรรมะเป็นลำดับแบบนี้เวลาเราจะพิจารณาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องมาจัดลำดับว่าธรรมะเนี่ยอยู่ในระดับไหนใช่เหมือนกับเราจะดูตัวเลขอะ หนึ 1> 1่งถึงสิบอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเอ้ที่เรากําลังทำเนี่ยอยู่ในตัวเลขตัวไหนจะได้นับลงถูกจะได้นับขึ้นได้อ่าเพราะว่าที่ที่สังเกตดูเนี่ยนะมันเอาเลขห้ามาพูดอย่างเงี้ยเอ้ก่อนหน้าห้ามคืออะไรก่อไหมรู้หลังจากห้าไปแล้วมคืออะไรก่อนไหมรู้เนี่ยแหละมันมันเป็นลักษณะนั้นอย่างยกตัวอย่างคนจะละโทสะอย่างเดียวเลยนะเอ้ก่อนจะละโทสะละอะไรมาก่อนไม่รู้สักอย่างเออละโทสะแล้วจะต้องละอะไรต่อไปอีก ไม่รู้อีกอก็จะเป็นลักษณะนั้นถ้าเป็นลักษณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเจริญกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องได้ว่ า, ว า, ย, า, วายากก็คือพระพุทธเจ้าว่าแล้วเราไม่ค่อยว่าตามท่านนั่นแหละว่ายากอะคือพระองค์บอกว่าอากุศลธรรมมันไม่ดีนะอย่างเงี้ยเราก็ไม่เชื่อลับกษษอกุศลเจตสิกทั้งหมดนั่นแลหละทั้งหมดเล ย, เลยอทั้งหมดเลย ว่ายากเนี่ยนะว่ายากเพราะความโง่าว่ายากเพราะแข็งดีว่ายากเพราะ เ, าเพราะอากุศลทุกอย่างนั่นแหละชื่อว่าทําให้เป็นคนว่ายากหมดเลยแต่ธรรมะที่ที่ทำให้ว่ายากเนี่ยนะในอนุมานสูตรมีอยู่16อย่างเน้นกิเลสสายโทสะ เ, เน้นกิเลสสายโทสะนะคือพวกเภศหรือพวกโอ้อวดเจ้ามายาเยื่ยงพวกนี้ก็ธรรมะที่ทําให้เป็นคนว่ายากหรือเวลาคนอื่นแนะนำมาเราสวนตอบ เนี่ยโต้ตอบเขาแนะนํามาก็บอกเอ๊คนแนะนําดีนักหรือไงอย่างเงี้ยก็การโต้วสวนการแบบนี้เรียกว่าว่ายากนะแนะนําแล้วก็ไม่เงียบโสดลงสดับเป็นต้นทีนี้พระองค์ก็ไล่ลําดับขึ้นใหม่นะเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าพูดตั้งแต่ยอดมาเลยมาหาพูดยอดมาหาต้นนะยอดมาหาราก์อย่างนั้นเถอะทีนี้ก็จะไล่จากรากไปหายอดขึ้นเมื่อกี้เขาเรียกสแสดงโดยปฏิโลม ไล่มาทีนี้อนุโลมตามที่แสดงมาหมดแล้วเพราะนั้นก็เหมือนกับรถอะนะทีแรกก็ถอยหลังมาก่อนใช่ไหมถอยหลังมาจนถึงที่ที่ที่ท้ายสุดและก็เดินหน้าไปคืนเนี่ยตรงนี้ก็จะเดินหน้าคืนว่าดุก ร, ราพิสูจทั้งหลายบุคคลผู้ไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวเป็นผู้ประมาทก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่เอือ้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้เห็นะก็จะ ถ้าหากว่าไม่มีฮิริไม่มีโอตาปะแล้วก็เป็นผู้ที่ประมาทจะไปละความไม่เอื้อเฟือได้ยังไงจะละความเป็นผู้ว่ายากได้ยังไงยังไงก็ต้องไปคบมิตรชั่วอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเป็นเป็นยังไงเพราะตัวเองเป็นคนที่ไม่มีฮิริไม่มีโอตาปะเป็นคนที่ประมาทเนี่ยนะพอตัวเองประมาทก็ทําไงอ่ะก็ไม่เอื้อเฟือสักอย่างใช่ไหมไม่เอื้อเฟือทานก็ไม่ให้ทําก็ไม่ฟังกลายเป็นคนว่ายากเลยหาคบแต่เพื่อนชั่วเพื่อนไม่ดี ถ้าหาว่าบุคคลเป็นผู้มีมิชฉ ua ก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ความเกียจคร้านได้มีเพื่อนชั่วอย่างเดียวนี่จบแล้วใช่ไหมเพื่อนพาไปทําบาปทําอากุศลแล้วเนี่ยเอ๊ะทำยังไงจะมีศรัทธาได้มันก็ยากนะถ้าหากว่ามีเพื่อนชั่วก็ทําให้เป็นคนที่ไม่มีศรัทธาให้เป็นคนที่ไม่รู้ความประสงค์คือคนตนนี่และเป็นคนเกียจคร้านนะเพื่อนก็จะชวนไปในทางบาปทาง อกุศลนั่นแหละ <c oughs> บุคคลเป็นผู้เกียจคร้านนะถ้าเป็นคนขี้เกียจไปอย่างเดียวเนี่ยนะจะไปจะคิดละอย่างอื่นเลยก็ไม่อาจละความฟุ้งซ่านความไม่สํารวมและความทุ่มสิได้เออเนี่ยนะคนมีศีลต้องเป็นคนขยันนะสังเกตจากส่งข้อความตรงนี้ทําให้เห็นว่าเออคนมีศีลเป็นคนขยันนะคนสํารวมก็ต้องเป็นคนที่ขยันนะคนหมั่นเพียร น, นะคนฟุ้ง คนไม่ฟุ้งซ่านก็ต้องขยันหมั่นเพียรทีนี้ต่อไปว่าบุคคลเป็นผู้ทุศีนก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะนะถ้าตัวเองอย่าว่าโยมเลยพระนี่ถ้าเป็นอบัตบ่อยๆก็ไม่กล้าเข้าหาหน้าพระพุทธเจ้าเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละก็บอกว่าถ้าไม่มีศีลแล้วนะก็จะไม่ใคร่เห็นพระอริยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นนะ ศีลไม่ค่อยดีเนี่ยวันนั้นเอาฟังเทศไม่สนุกที่สุดเลยนะ <g ül> นั่นแหละก็เป็นลักษณะนั้นก็ถ้าหากว่าไม่เห็นพระอริยะก็เป็นผู้ไม่ใคร่จะฟังธรรมของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีได้ใช่ไหมก็ฮ้ยจะเท่าไหร่เชื่อนาะเราอยู่วัดอบอกคนไปวัดก็ไม่ได้ดีกว่าคนอยู่บ้าน อ, อะไรหรอกไ ง, งก็แข่งดีละก็เลยเท่าเดิมนั่นแหละไม่ถ้าอยู่บ้านได้เจริญกุศลก็ไม่มีปัญหาเนาะแต่ปัญหาก็ปลายจิตให้ไปกับอกุศลซะส่วนใหญ่ บุคคลผู้มีจิตคิดแข่งดีนะคิดแข่งดีก็คือค่ากันดูมิ่นเขา อ, อื่นนะนะสักเท่าไรเชียวเนาะไม่เกินเราเท่าไรรอกแบบนั้นเียนี่รล้แข่งดีที่จริงตัวไม่มีดีอะไรหรอกแต่ว่าเอาไปแข่งนะนะก็ไม่อาจละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้นะถ้าคนที่คิดแข่งดีเนี่ยนะก็หลงลืมสติและสัมปชัญญะบับพพะเนี่ยนะ ขณะที่ไปมาแลเหลียวคู้เข้าเหยียดออกทรงบาตรจีวรสังคาติเนี่ยนะลงลืมไปทุกหลงลืมไปทุกเรื่องนั่นแหละไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะและแล้วก็จิตก็ฟุ้งซ่านอุทจักก็กลุ่มโรมและจิตเป็นไปกับบาปบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านก็ไม่อาจละความกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายการเสพทางผิดความหดหู่แห่งจิตได้เนี่ยนะ ถ้าจิตฟุ้งซ่านสะอย่างเดียวเนี่ยนะคิดให้เป็นกุศลง่ายไหมไม่ง่ายแล้วเนาะแล้วก็จะเสพทางผิดแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็จิตใจก็หดหู่นะถีนามิทธะก็กลุ่มลมแล้วอยากง่วงอยากนอนอย่างเดียวและบุคคลเป็นผู้มีจิตหดหูนะง่วงเหงาหางนอนก็ไม่อาจละสากายาทิฐิวิจิกิจชาสีละพัตะปรามาตได้บุคคลเป็นผู้อันนี้จบตอนก่อนที่จริงไม่ได้วะที่จริงมันก็ต้องปัดย่อหน้ามา นะคบุคคลเป็นผู้มีจิตโถดโหก็ไม่อาจละสกายะิถิวิจิกิจชาและศีลพัตะปรามาตได้บุคคลเป็นผู้ไม่มีอ่าบุคคลเป็นผู้มีวิจิกิจชาก็ไม่อาจละราคะโทสะโมหะได้นะถ้ายังมีความสงสัยจะไปละโลภะโทสะโมหะได้อย่างไรบุคคลไม่ละราคะโทสะโมหะแล้วก็ไม่อาจละชาติชรามรณะได้เนี่ยนะก็คือวัตตอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะชีวิตในวัตต์เป็นลักษณะนี้แหละเข้าตอนไหนมัง่ง หรือว่าไม่เข้าสักตอนนี้ก็แย่แล้วนะหรือเข้าหมดเลยได้ไปเยอะเงินนะนะค่อยๆไล่เอาละตังกงแตต้นเอาคือถ้าหากว่าหนึ่งไม่บริบูรณ์นะสองเกิดไม่ได้นะถ้าสองไม่มีแล้วสามจะมีได้ยังไงสามไม่มีสี่เกิดไม่ได้อย่างเคยได้ยินนะว่าเขาบอกว่าอนุปัสนาเจ็ดนะอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตานุปัสนานะถ้าสามอย่างไม่บริบูรณ์นิพพานุปัสนาเกิดไม่ได้ ถ้าหนึ่งสองสามสี่ไม่บริบูรณ์นิพิทาก็ต่อไปวิราคานะวิราคานุปัสสนาเกิดไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่เกิดไม่บริบูรณ์นิโรธานุปัสสนาเกิดไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่บริบูรณ์ปฏินิสักานุปัสสนาเกิดไม่ได้เพางั้นต้องต้นต้นต้องบริบูรณ์มาก่อนข้างหลังหลังจึงจะบริบูรณ์ได้ทีนี้มาดูฝ่ายดีบ้าง ดุกุระภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะสมประการแล้วจึงอาจละชาติชรามรณะได้3ประการเป็นฉไนคือราคะโทสะโมหะดุกุระภิสูุทั้งหลายบุคคลละธรรมะสมประการนี้แล้วจึงอาจละชาติชรามรณะได้เห็นไหมถ้าหากว่าไม่อยากเกิดอีกแล้วก็ทํายังไงจะหมดกิเลสนั่นแหละละกิเลสจึงไม่เกิดไม่แก่และไม่ตายต่อไป ดุกราพิสูทธ์ทั้งหลายบุคคลละธรรมะสประการแล้วจึงอาจละราคะโทสะโมหะได้ธรรมะ3ประการเป็นชนัคือสกายะทิฐิวิจิกิจชาสีละพัตตปรามาดุกราพิสูทธ์ทั้งหลายบุคคลละธรรมะสาประการนี้แล้วจึงอาจละราคะโทสะโมหะได้เห็นไหมจะต้องละอันนี้ก่อนนะจึงจะละโลภะโทสะโมหะ ดูกราภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะสประการแล้วจึงอาจละสกายทิฐิวิจิกิจชาสีละพัตตปรามาตได้3ประการเป็นฉนัคือการกระทําไว้ในใจโดยอุบายไม่เยบคายหนึ่งการเสพทางผิดหนึ่งความหดหู่แห่งจิตหนึ่งดูกราภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะสามประการนี้แล้วจึงอาจละสกายทิฐิวิจิกิจชาสีละพัตตปรามาตไดนะ้ต้องละนะพวกอาโยนิโสกร ได้ไนหะมาาโซไม่ส ก, กายะที่วิจิกิชาศีลพัตาปาติมาชนั่นคือโซดาปฏิมัิจึงจะละได้แต่นี้ก็คือต่ำมานั้นโยนิโสก็คืออะไรคือการเจริญวิปัสนาเป็นต้นนั่นแหละเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะเอาเรื่องโยนิโสมาพูดให้พิสดารหน่อยอย่างไรเชื่อว่าฉลาดคิดโยนิโสมณัิการก็แปลว่าฉลาดคิดคิดถูกทางคิดโดยอุบายคิดโดยแยบคายหรือฉลาดคิดถามว่าคิดยังไง ใครจำคำสอนได้คิดตามคำสอนนั่นแหละคนนั้นฉลาดคิดที่สุดเลยในโลกนี้ใครฉลาดที่สุดรู้ไหมพระพุทธเจ้าฉลาดที่สุดเออเราคิดตามแล้วจะงงได้ยังไงเนอะถ้าคิดตามแค่อย่างเดียวนี่ก็โอ้ฉลาดคิดแล้วปัญหามันไม่คิดตามมันดีแต่คิดเอาเองไงก็บอกว่าถ้าคิดตามนั่นแหละเป็นสาวกแล้วล่ะถ้าไม่คิดตามนี่เราก็ไม่ใช่สาวกแล้วเนอะไม่ใช่ลูกศิษย์ท่านแล้วมันไม่คิดตามอาจารย์ตั้อย่างเพราะฉะนั้นถ้าฉลาดคิดไม่คิดยังไง คิดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าให้เราคิดยังไงก็คิดตามท่านนั่นแหละเรียกว่ามีโยนิโสเห็ น, ะนะต่อไปนะดูก ร, ราพิสูน์ทั้งหลายบุคคลละธรรมะสามประการแล้วจึงอาจละการกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายการเสพทางผิดความหดหู่แห่งจิตได้สามประการเป็นฉไนคือความเป็นผู้มีสติหลงลืมหนึ่งความไม่มีสัมปชัญญะหนึ่งความฟุ้งซ่านแห่งจิตหนึ่งดูก ร, ราพิกูุนทั้งหลาย บุคคลละธรรม3ามประการนี้แล้วจึงอาจละการกระทําไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายการเสพทางผิดและความหดหู่แห่งจิตได้นะจะต้องละความเป็นผู้มีสติหลงลืมก่อนเอ๊สตินี้มีลักษณะยังไงนะสติมีลักษณะไม่หลงลืมถามว่าเหตุใกล้เหตุใกล้ของสติคืออะไรนะืสัญญาอันมั่นคงเป็นเหตุใกล้นะหรือมีกายเวทนาจิตทำเป็นต้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ อสตินี้อุปมาเหมือนอะไรได้บ้างอุปมาที่หนึ่งสติเหมือนกับขุนคลังผู้รักษาทรัพย์อ่ะนะวันก่อนนี่ถามว่าถามว่าอะไรนะถามว่าเห็นแสงสว่างยังไงชื่อว่ามีสติเป็นยังไงลืมมั้ยอันนะอ่ะปัญญาเหมือนแสงสว่างาได้คำนนอย่างนี้ต่อไปอีกนะถ้าปัญญาเห็นเหมือนแสงสว่างเห็นอะไรก่อนเห็นเรื่องกรรมและผลของกรรมนะจะต่อด้วยกรรมสักตาปัญญา เนไเป็นต้นเอามองเห็นเนี่ยอะไรเป็นผลของกรรมมองเห็นแสงสว่างอะไรเป็นผลของกรรมจะขูะวิญญาณนะแสงไม่ใช่ผลของกรรมนะแสงผลของอะไรแสงเป็นอุตุชรูปเนาะแสงเกิดจากไฟฟ้าทิไฟฟ้าเกิดจากอะไรเกิดจากเครื่องปันน่น่นต้น <c oughs> <c oughs> เกิดจากสายวะนั่นแหละก็คือเรื่องสัมนวนทางพระเราใช้คําว่าอุตุเห็นไหมแสงนั้นเกิดจากอุตุ แต่จิตเห็นของเรานี่มีอะไรเป็นปัจจัยมีเยอะเนอะที่จริงเนี่ยปัจจัยเยอะนะจิตเห็นจึงจะเกิดได้อย่างน้อยมีตาก่อนสองมีอะไรอีกมีมนสิการและกรรมในอดีต จ, จึงให้ผลได้แสงนั่นแหละคือรูปอารมณ์ะแสงนี้ก็เป็นสีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะแสงก็คืออวินิโยครูปนั่นเองนะลักษณะอย่างหนึ่งนะที่รู้ทางตาของอวินิโยครูปก็คือสี สีที่เป็นแสงธรรมดาทั่วไปนี่มีสมุดฐานเดียวคืออุตุแต่บางคนเนี่ยนะถ้าอย่างเทวดาเนี่ยนะแสงของเขามีสมุดฐานสี่เกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุและอาหารบางคนนี่าว่าคนมีบุญจริงๆเนี่ยนะในห้องสิบสองสองนี่ไม่ต้องเปิดไฟเลยนะมันมีรัศมีออกจากตัวได้ถ้าสมัยพุทธกาลถ้าเทพลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสว่างสวัไปหมดเลย เทพมันก็มีรัศมีอยู่ในตัวเนี่ยนะมีแสงออกจากตัวได้ของเรามีรังสีอมตหิตออกจากตัวเลยใครมองเห็นก็กระดุงหลบตากันหมดแน่นะโทสไงาาองาอาหารของเทวดาเรียกสุธาโพธ์โภชนะอาหารอย่างดีนะก็คืออาหารทิพนั่นเองเนไหมมีอาหารทิพต่อไปนะถ้าหากว่าจะละ ความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตละอะไรก่อนท่านบอกว่าดูกรุรภิสุทั้งหลายบุคคลละธรรมะสามประการแล้วจึงอาจละความเป็นผู้มี ส, สติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้สมประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้ไม่ใครใ่เห็นพระอริยหนึ่งความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมะของพระอริยหนึ่งความเป็นผู้มีจิตคิดแข็งดีหนึ่งดูกรุรภิสุทั้งหลายบุคคล ผู้ละธรรมะสามประการนี้แล้วจึงอาจละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุง้งซ่านแห่งจิตได้จะต้องละสามตัวนี้ก่อนนะจึงจะมีสติดีเนี่ยน ะ, ะก็คือฟังธรรมมากๆปรารถนาที่จะเห็นพระไตรปิฎกนะสำนวนเราสมัยนี้นะปรารถนาจะเห็นพระไตรปิฎกปรารถนาอ่านพระไตรปิฎกมีใจไม่แข็งดีกับพระไตรปิฎกนั่นแหละเป็นเหตุให้มีสติมากๆนะ เพราะว่าพระอริยะตอนนี้เนี่ยนะเป็นบุคคลเนี่ยอย่าไปเที่ยวหานักเลยนะไม่รู้เจอหรือเปล่าไม่รู้หาพระไตรปกเถ อ, อะเขาจะมายังจําได้เลยสมัยนั้นเป็นเนร เ, เรานี่ก็ชอบหาพระอริยะเหมือนกันพี่โน้นเขว่าอริยะตรงนี้อริยะเราก็เอามั่งอ่ะจะไปมั่งเพราว่าหลวงปู่นั้นเป็นเราก็จะไปมั่งพ่อนั้นเป็นก็จะไปมั่งอาจารย์ท่านลาคาญฮะบอกจะเอาอริยะระดับไหนอ่ะครับว่านี่เราอาจารย์จะว่าไงครับ จะเอาแบบระดับพระพุทธเจ้าก็ดูที่พระไตรปิฎกอะ่ะเอาพภาษาริบุตรก็ปฏิสัมพิทาก็ไปอ่านนี่จะเอาพระอรหันต์ทั่วไปห้าร้อยก็ไปอ่านเทระคถาเอาอารหันต์ทำมันทั่วอ่าอรหันต์ผู้หญิงก็ไปอ่านเทรีกถาครับว่าแล้วก็ถ้าจะเอาพระอรหันต์สมัยไหนก็มีในสมัยพุทธในพระไตรปิฎกหมดแล้วท่านจะไปหาที่ไหนครับว่าเราก็จาเนี้ทําไมใช้อย่างไงตอนหลังเออท่านก็พูดจริงแฮะ ตอนหลังเออหาจากพระพไตรปิฎกนั่นแหละคือเขาบอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายจะพูดไม่ขัดกันภาษาลิบุตรกับพระพุทธเจ้าจะพูดไม่ขัดกันเพราะนั้นอรหันต์ยุคนี้ถ้าท่านเป็นอรหันต์จริงๆแนละ้วท่านจะต้องไม่พูดขัดกับพระไตรปิฎกซึ่งเป็นของพระอรหันตสัสมมาสัมพุทธเจ้าเพราะั้นจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันอยู่แล้วถ้าถ้าเป็นของจริงน ะ, ะเพราะคําว่าอริยะจะไม่ขัดแย้งต่อกันพระอริยะจะเสมอการด้วยศีลและทิฏฐิ ท่านมีศีลมีทิ่ทีเหมือนกันแต่ฉลาดไม่เท่ากันความสามารถไม่เท่ากันอั <c oughs> นี้นึกได้เออตีหลังมามันก็่อนหลังมาใครคุยถึงเรื่องผ้าละหันนะอ้าวนี่ก็อยู่กับผ้าละหันยังไงเนี่ยนี่พระพุทธเจ้านะเทศมาเนี่ยนั่นแหละเราก็อยู่กับผ้าละหันอยู่แล้วเนาะปัญหาก็คือผ้าลรหันไม่ค่อยอยู่กับเราสิเพราะใจเราไม่ค่อยอยู่กับท่านเลยเพราะจาคําสอนของท่านไม่ได้ใจเราก็ห่างท่านแล้ว ก็บอกว่าพระอรหันต์เนี่ยกลัวคนมีกิเลสที่ตัว น, นปะปัจจัยเรามีกิเลสพระอรหันต์ก็หนีทิ้งเราแล้วต่อไปนะว่าดูกระพิสูท์ทั้งหลายบุคคลละธรรมะสามประการแล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมะของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีได้สามประการเป็นฉนัยคือความฟุ้งฟานหนึ่ง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 ด, ดุกราพิสูจนทั้งหลายบุคคลละธรรมะสาประการแล้วจึงอาจละความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมความเป็นผู้ทุศีลได้3ประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาหนึ่งความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์หนึ่งความเกียจคร้านหนึ่งดูกระพิสูจนทั้งหลายบุคคลละธรรมะสประการนี้แล้วจึงอาจละความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมและความเป็นผู้ทุศีลได้ ดุกระพิสูทั้งหลายบุคคลละธรรมะสามประการแล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ความเกียดคร้านได้สามประการเป็นไงคือความเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อหนึ่งความเป็นผู้ว่ายากหนึ่งความเป็นผู้มีมิตรชั่วหนึ่งดูกระพิสูทั้งหลายบุคคลละธรรมะสาประการนี้แล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ความเกียดคร้านได้ ดุกราพิสูทั้งหลายบุคคลละธรรมะสประการแล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้3ประการเป็นฉไนคือความเป็นผู้ไม่มีความละอายคือไม่มีฮิริษนั่นเองความเป็นผู้ไม่มีความเกรงกลัวคือโอตปะความประมาทดูกราพิสูทั้งหลายบุคคลละธรรมะสประการนี้แล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้ เห็นนะการละตามลำดับพยายามสังเกตดูตั้งแต่ข้อต้นๆเลยพรฉะนั้นสรุปต้นๆก็คือดูกราพิสูจ์ทั้งหลายบุคคลผู้มีความละอายมีความเกรงกลัวไม่ประมาทอยู่ถ้ามีคุณธรรมอย่างนี้ก็อาจละความเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้บุคคลผู้มีมิตรดีก็อาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ ไม่รู้ความประสงค์ความเกียดคร้านได้บุคคลผู้ปรารกความเพียรก็อาจเป็นก็อาจละความเป็นผู้ฟุ้งซ่านความไม่สำรวมความเป็นผู้ทุศีลได้บุคคลผู้มีศีนก็อาจละความเป็นผู้คร่เห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่คร่ฟังธรรมของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดแข็งดีได้บุคคลผู้มีจิตไม่คิดแข็งดีก็อาจละความเป็นผู้มีสติลงลืม ความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้บุคคลผู้มีจิตอันไม่ฟุ้งซ่านก็อาจละการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันไม่แยบคายการเสพทางผิดความหดหู่แห่งจิตได้บุคคลผู้มีจิตไม่หดหู่ก็อาจละสากายทิฐิวิจิกิจชาศีละพาตะปรามาสได้ บุคคลผู้ไม่มีวิจิกิจชาก็อาจละราคะโทสะโมหะได้บุคคลผู้ละราคะโทสะโมหะได้แล้วก็อาจละชาติชรามรณะได้เนี่ยนะก็มีกล่าวถึงการละโดยลำดับเนี่ยนะในหน้าสุดท้ายก็น่าน่าสนใจนะจําหน้าสุดท้ายอย่างเดียวก็พ อ, อจาหน้าสุดท้ายเนี่ยนะตั้งแต่ ย่อหน้าลงมาจําเท่านั้นแหละที่เหลือก็ค่อยๆทําความเข้าใจก็พอได้ละนั้นสูตรเหล่านี้เนี่ยนะต้องจําให้ได้จริงๆถ้าเราจําได้เราจึงจะจําลําดับในสูตรเหล่านี้เนี่ยนะถ้าถ้าอุปมาเหมือนกับการเดินทางเข้าเข้ากรุงเทพเนี่ยนะมันจะต้องมีการผ่านจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดไปก่อนใช่ไหมในตรงนี้ก็เหมือนกันการละบาปละอกุศลก็มีไปโดยลําดับจะละอีกสิ่งหนึ่งได้จะต้องทําอีกสิ่งหนึ่งให้บริบูรณ์ก่อน เนี่ยนะตรงนี้ก็น่ากำหนดจดจำถ้าเราจำได้เราก็สามารถที่จะนะเอาไว้ทบทวนว่าเอาสภาพจิตของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนในขณะนั้นๆเอานี่เป็นเอาพระธรรมเป็นเครื่องตรวจสอบเนี่ยนะายัางขาดอะไรหรือเปล่าขาดตกส่วนไหนก็เสริมเพิ่มส่วนนั้นเข้าไปเนี่ยนะอากุศลธรรมเหล่านี้ต้องเจริญอากุศลที่ฝ่ายไม่ดีก็ต้อ ง, ต, องต้องละเนี่ยนะ พันในสูตรนี้แสดงทั้งฝ่ายดำและฝ่ายขาวเนี่ยแสดงเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจนจบหมดเลยเนาะแสดงให้เห็นชัดเจนในรายละเอียดทั้งหมดเลยเนี่ยนะทศกะนี่แปลว่าสิบเป็นนับให้ได้สิบก็แล้วกันเพราะมากันับไม่ถูมกันไม่ไม่นั่งนับสักทีเลยคือเป็นกลุ่มใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดอ่าคือให้เอาชุดแรกเนี่ยนะให้ดูหน้าแรกเลยนะดูหน้าแรกตรงดำๆที่ขีดบรรทัดนับลงจะได้10พอดีเลยเจนพอนับตั้งแต่ชาติชารามมรณะลงไปเรื่อยๆนะก็จะครบ10หมวดพอดีเลยนะเนาะเท่ากับโอ้โหตรงนี้ได้ธรรมะ3าหัวข้อเลยเนาะอ่ะได้ได้สะได้10 10 10, 10ชุดะนะชุดละสาม เขเรียกว่ามีสิบติกะติกะละสามเท่ากับมีธรรมะอยู่สามสิบข้อฮ<ะ>ข้อไหนตกโมหะมังนะ้งเนาะในหน้าเท่าไหร่นะ ออครบสิ บ, นะ บ, สบเนาะอ๋อลืมลื ม, ล ม, ชลมใช่ใช่ครบสิบพอดีเลยเนเก่งมากใช้ได้แล้วหละสรุปแล้วก็ต้องมีาละอก็มีรตะาถ้าไล่มาก็ต้องหนึ่งมีฮิริโอตะปะแล้วก็ไม่ประมาทก่อนอันดับต้นใช่มถ้าหากว่าละอันนี้แล้วก็จะเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้ อ, อว่าง่าย มีมิตร ด, ดีพอมีมิตรดีก็จะทําให้มีศรัทธารู้ความประสงค์และไม่เกียรต์ไม่เกียรข้านคือปรารบความเพียรพอปรารบความเพียรก็ไม่ฟุง้งซ่านเกิดความสํารวมและเกิดการมีศีลขึ้นเมื่อมีศีลอย่างนี้แล้วก็ประสงค์จะเห็นพระอริยะประสงค์จะฟังธรรมะของพระอริยะจิตใจก็ไม่แข็งดีเมื่อจิตไม่แข็งดีก็ไม่หลงลืมสติมีสัมปชัญญะ จิตใจก็ไม่ฟุง้งซ่านเมื่อใจไม่ฟุ้งซ่านก็มีโยนิโสมานสิกานมีโยนิโสมานสิการไม่เสพทางผิดไม่ปฏิบัติข้อปฏิบัติอื่นจากคําสอนเป็นคนที่มีจิตไม่หดหู เ, เมื่อจิตไม่หดหูเป็นต้นก็จะละสกายยะทิฐิละวิจิกิชาสีละพาตาัตะปรามาตเมื่อละสกายยะทิฏฐิวิจิกิชาสีละพาตาัตตปรามาตก็จะละราคะโทสะโมหะเมื่อละราคาโทสะโมหะก็ละ ชาติชรามรณะได้หรือว่ายังอยากเกิดอีกเอ้ถ้าศูนย์เอาอะให้เอาเนะเสียดายนะเสียดายสาอยู่มาตั้งนานแล้วอย่างนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าสังสารวัตเนี่ยนะมันจะปั่นหัวให้เราจนเบื่อจนเมาอ่ะจนเลือกอ่ะจนอาเจียนอ่ะนะเขาแปลวิรา่าว่าสารอกอ่ะสารอกคืออะไร เมือนอาเจียนอนะก็ต้องให้มันมันเรียกว่ามันปั่นป่วนถ้าจนไม่เอาแล้วเข็ดแล้วนะตอนวิราคะว่านั้นต้องสํารอกออกจริงๆจึงจะได้เนี่ยนะแต่ถ้าไม่สํารอกไม่ไม่ต้องกลัวหรอกมันจะปั่นมันจะมันจะปั่นหัวเนี่ยนะชาตชรามรณะโสกกะปริเทวทุกโทมานัตอุปายาตเนี่ยจะเริ่มปั่นปั่นชีวิตเราเนี่ยนะทำให้พลาดพลาดจากของรักบ้างทําให้ประสบสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้างปรารถนาไม่สมปราไม่สมความปรารถนาบ้าง ปราถนาก็ไปเหมือนอย่างที่คิดบ้างนั น, นะชาติชาติที่ทุกข์ก็เล่นงานชาราก็ห้ามหันมรณะก็ทิ่มแทงลูกศ้อนคือราคะก็เสียดแทงโมหะเป็นต้นก็แผดเผาเนี่ยนะมันก็โอ้ยมันอยู่ไม่ไว้จริงๆริงอ่ะต้องสำรอกออกจริงๆอ่ะนะมันต้องคลายอ่ะเขาบอกว่าผู้ที่สําเร็จคุณธรรมชั้นสูงเหมือนกับคนที่ละเรือรั่วโดยไม่เสียดายเรือที่มันรั่วมันผุมันเปื่ยอย่ะเนี่ยนะมันจะจมอ่ะก็ต้องจําเป็นต้อง สลัดออกจึงจะพ้นจากวัตถทุกขได้แต่การที่จะพ้นจากวัตถทุก์นั้นต้องเจริญกุศลธรรมตามตา ม, ตามลําดับเหล่านี้นะถ้าไม่เจริญกุศลธรรมตามลําดับเหล่านี้ไม่รู้จกตรัสรู้อริยสัจธรทำอะไรนะเราจะที่สุดแห่งการปฏิบัติของเราก็ไม่รู้จกักจะอยู่ที่ไหนเลยนะในที่จริงในสูตรเมื่อกี้กับสูตรใน กีตาคิริสูตรเนี่ยนะเนื้อหาไม่ไม่แตกต่างกันนะเนื้อหาใกล้เคียงมากอ่ายกตัวอย่างว่าในกีตาคิริสูตรคัมพีมัชชิมนิกายมัชิมะ ป, ปัญนาสเนี่ยนะเล่มยี่สิบข้อที่สองร้อยสาสิบแปดหน้าสี่ร้อยยี่สิบแปดถึงถึงสี่รอยยี่สิบเก้าเนี่ยนะในฉบับยี่สบเล่มนะกีตาคิริสูตรว่า ดูกราภิสูทั้งหลายเราย่อมกล่าวการตั้งอยู่ในอรหัตผลด้วยการไปครั้งแรกเท่านั้นหาไม่ได้ไม่ใช่อยู่ๆก็พุทธไปถึงเลยแต่การตั้งอยู่ในอรหัตผลนั้นย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับด้วยการกระทําโดยลำดับด้วยความปฏิบัติโดยลำดับดูกราภิสูทั้งหลายก็การตั้งอยู่ในอรหัตผลย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับ ด้วยการทําโดยลําดับด้วยความปฏิบัติโดยลําดับอย่างไรดูกราพิสูจน์ทั้งหลายกลุ่มบทในธรรมวินัยนี้เกิดศรัทธาแล้วเข้าไปใกล้เนี่ยนะเห็นไหมคล้ายๆกันนะแต่ตรงนี้ท่านจะรับมาตรงที่มีศรัทธาเลยในในกีตาคิริสต์สุดเมื่อมีศรัทธาแล้วก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็เงียบโสดลงสดับ เมื่อเงี้ยโสดลงแล้วย่อมฟังธรรมครั้นฟังธรรมแล้วย่อมทรงธรรมะไว้อะเขาบอกว่าบาลีเขาว่าทาเรติได้แก่ย่อมทรงไว้ทําให้คล่องแคล่วทรงไว้ก็ไม่ใช่ได้เอกสารไวแล้ว ไ, ไปเก็บไว้นะไม่ได้อย่างนั้นไม่ชื่อว่าทรงนะก็จะเก็บอย่างนี้ก็ทรงก็คือหมายความว่าไปท่องไปทบทวนไปอ่านเป็นต้นเนี่ยนะจนชํนานาญทําให้คล่องแคล่วเลยเป็นเหมือนกับความรู้ของเราไปแล้ว ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงไว้แล้วเนี่ยนะเอาไปไปไข่ควรวนไปไต่ตรองจริงๆเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมะทั้งหลายย่อมทนได้ซึ่งความพินิษนึกถึงคุณโะอุ่มนะเขาบอกว่าธรรมะทนต่อการเพ่งเนี่ยเขาไปคิดว่าผมตีความหมายได้สองอย่างเขาว่าสองอย่างคือหนึ่งคนเพ่งต้องทนเพ่งข้อสองธรรมะนั้นต้องเป็นของจริงเขาว่าใช้สองอย่าง ไม่ใช่เพ่งทางเดียวเอ๊ะทำไมไม่เห็นอย่างนี้ไม่ได้คนเพ่งต้องทนเพ่งไปนานๆ น, น่ะจึงก็ได้สองแล้วก็ของที่เพ่งนั้นก็ต้องเป็นของจริงอรับวังนั้นต้องต้องธรรมะต้องทนต่อการเพ่งแบบนี้เขอบอกว่าผมไปนอนตรึกดูแล้วเขาว่ามันเป็นได้สองอย่างครับแต่ว่าเขาเขาเขาเขาแต่ยังไม่ได้ดูว่าอัฏฐะท่านอธิบายยังไงเลยนะแต่ว่าเออฟังดูแล้วก็เป็นอย่างนั้นว่าองค์คุณของประหูสูตรนั้นก็คือนะก็คือ เป็นผู้ที่ทรงจําแล้วก็เอาไปใคร่ครวนตามเพ่งตรึกตรองตามรู้ด้วยใจเนี่ยนะให้มากๆเมื่อธรรมะทนความทินิดได้อยู่ฉันทะย่อมเกิดก็บอกว่าฉันทะตรงนี้เนี่ยนะแปลแบบเราเราก็ส่วนใหญ่ก็แปลว่าอยากนั่นแหละคือฉันทะเป็นผู้ใคร่เพื่อย่อมจะทําให้เกิดมีมีใจอยากที่จะให้ธรรมะอันนั้นเกิดขึ้นอ่ะเ น, <Fourth> <ค>นี่ยนะมีใจยินดีที่จะพ่อคูณกุศลธรรมอันนั้นให้เกิดขึ้น อันนี้เขาเรียกว่ากัตตุกรรมยตาชันทะอันนี้เป็นมหากุศลนะเป็นสิ่งที่ควรทำเมื่อชันทะเกิดแล้วย่อมอุตสาหะคือความเพียรนั่นเองครั้นอุตสาหะแล้วย่อมไตรตรองไตรตรองนี้ใช่ครวน่ะนะบาลีเ็าบอกว่าตุเลติตุเลติไตรตรองคือไตรตรองว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตารั้นไตรตรองแล้วย่อมตั้งความเพียร เขาบอกว่าเมื่อไตรตรองด้วยวิปัสนาเป็นเครื่องพิจารณาอย่างนี้ย่อมตั้งความเพียรในมัศตั้งความเพียรในมักเมื่อมีตนส่งไปแล้วย่อมทำให้แจ้งชัดซึ่งปรมศสัจด้วยกายปรามาสัจด้วยกายในที่นี้ก็คือปรามาสัจด้แก่อะไรนิพานทำให้แจ้งนิพานด้วยนามกายนามตายและย่อมแทงตลอดเห็นแจ้งปรามาสัจจนั้นด้วย ปัญญาปัญญาก็คือมรรคปัญญาอันสัมปยุตด้วยนามากายเนี่ยนะก็คืออริยมรรคเกิดขึ้นแทงตลอดนิพพานนั่นเองดูกราพิสูจนทั้งหลายศรัทธาก็ดีนะเขบอกว่าศรัทธาก็ดีการเข้าไปใกล้ก็ดีการนั่งใกล้ก็ดีการเงี่ยโสดลงก็ดีการฟังธรรมก็ดีการพิจารณาเนื้อความก็ดี ธรรมะอันทนได้ซึ่งความพินิจก็ดีฉันทะก็ดีอุตสาหะก็ดีการไตรตรองก็ดีการตั้งความเพียรก็ดีนั้นๆไม่ได้มีแล้วเธอทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติพลาดเป็นผู้ปฏิบัติผิดดูกระพิกสูทั้งหลายโม้าบุรุษเหล่านี้ได้หลีกไปจากธรรมะวินัยนี้ไกลเพียงไรเนีย่ยนะถ้าไม่เป็นตั้งแต่มีศรัทธาการเข้าไปหาการ เงียบโสดลงการฟังทำการพิจารณาเนื้อความเนี่ยนะการทรงจําพิจารณาเนื้อความไม่ต้นถ้าธรรมะคุณธรรมนั้นๆไม่มีเนี่ยพระองค์บอกว่าโมฆะบุรุษเหล่านี้โมฆะคืออะไรโมฆะแปลว่าอะไรฟาวอะเปล่านะโมฆะกับฟาวเนี่ยน่าจะแปลเหมือนกันนะเหมือนรเปล่น่าจะเหมือนนะภาษาไทยก็ไม่ค่อยจะรู้ดีเลยไปรอบอังเกษเีย น, นะปลไปกันใหญ่ลนะ เพราะฉะนั้นโมฆะบุรุษก็คือบุรุษเปล่าไม่มีมรรคผลเป็นแก่นสารอยู่ในนั้นเลยไม่มีชาติภินญาอะไรอยู่ในในใจสักอย่างเลยนะมีแต่โลภะโทสะโมหะล้วนๆเป็นไปคือเปล่านี่ไม่ใช่ไม่มีกิเลสนะมีแต่กิเลสไม่มีกุศลสูงๆอยู่ในใจเลยเขาเรียวกว่าโมฆะบุรุษว่า ง, งั้นได้หลีกไปจากธรรมวินัยนี้ไกลเพียงไรที่ ด, ดูนะถ้าคุณธรรม่องนั้นไม่มีเนี่ชื่อว่าปฏิบัติผิดปฏิบัติพลาด เนี่ยนะก็บอกว่าควรจะกล่าวได้ว่าหลีกได้หลีกไปแล้วร้อยยดบ้างพันยดบ้างเนี่ยนะห่างขนาดไหนร้อยยดก็ เ, เชียงใหม่กรุงเทพเนี่ยถึงพันหกร้ยกิโลไหมเจดร้อย <700 S 1> <700 S 2> นะโดนแลแถวแถวภาคใต้สุดๆเลยเนะี่ยห่างนี่เรียกว่าห่างร้อยยดนะห่างพันยดอ่ะพันยดคูณสิบหกิโลเมตรเข้าไปเท่าไหร่โอ้ห่างห่างพระตนาตรายขนาดนั้น่ะคิดดูอ่ะเราอ่ะพระพุทธ ซัดจากเมืองอินเดียมาเกิดเมืองไทยเนี่ยก็ไกลามากแล้วนะนี่ยังไม่พอเองโอ้ตั้งสองพันกว่าปีสแสดงว่าตั้งแต่ต้นมานี่สแสดงว่าไม่ไนมีศรัทธาเลยนะสมัยนั้นนะชาติก่อนนั้นอ่ะไม่เคยมีสัทาเลยนะแสดงว่าเราไม่ได้เข้าไปหาท่านมากนะักแต่ไม่เป็นไรนะรู้แล้วก็ทาไงเรียกคืนนังไงเรียกคืนก็คือด้วยการทรงจำเป็นต้นนั่นเอง คือตอนนี้นี่ก็ยังยังมีศรัท ธ, ธาในเรื่องของการทรงจำการไข้ครวนเป็นต้นถ้าหากว่าเราทั้งหลายขาดการไข้ครวนขาดการทรงจำขาดอะไรเหล่านี้แล้วเนี่ยนะเรานี่ห่างห่างทั้งรูปประกายและนามกายเลยนะใจของเราเนี่ยห่างคำสอนขนาดนั้นเลยนะเจริญการุณาให้ตัวเองมากๆเลยนะจะได้ทำกุศลเยอะๆหน่อยตุกานมีอะไรจ สักหน้อยงี้ยคุยคนเดียวมันอย่างเงี้ยความบุคคลที่มีจิตหดหูใช่ไหมฮะคนที่มีจิตหดหูนี่ก็ไม่อาจจะละละสักกายทิฏฐิได้เป็นยังไงฮะท่านทีน่ามิถะกลุม่มรมอหรนะทีน่ามิถะกลุม่มลม เท่าถอยใช่ไหมคคือมันท้อแท้คือไม่ไม่สามารถที่จะไม่คิดไม่อะไรทั้งสิ้นพิจารณาพระธรรมอ่ะคือคือยกตัวอย่างเช่นเราฟังธรรมะสูตรใดสูตรหนึ่งเราจําได้ดีแล้วนะคะมันไม่เอามันไม่เอามาคิดอ่ะมันไม่อยากคิดไม่อยากตรึกไม่อยากพิจารณาไม่อะไรสักอย่างเลยนะใช่ใช่นั่นแหละโมหะอะไรโมหะเป็นอะไรนั่นแหละมันขี้เกียจมันเกียจทานมันไม่อยากตรึกมันอยากใช้ใอ่ะนั่ง นั่งฟุ้งๆอ่ะชอบแบบนั้นชอบซึมๆเซ่อๆอะไรหรู้อะไรสักอย่างนะนั่นมันปฏิบัตินอกคำสอนหมดเลยนะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าสักอย่างเลยที่ว่านั่นน่ะแล้วก็ถ้าถ้าไม่มีถ้าถ้าถ้ามีวิจิกิจช้านี่ก็ยิ่งไปกันใหญ่โอไปกันใหญ่เลยนี่ไปไกลมากละละราคาก็ไม่ได้เจริญพรหน้โดูาก็ไม่ใช่้ อีกสูตรหนึ่งก็น่าน่าสนใจนะก็คือข้อความในอวิชชาสูตรเนื้อหาเนี่ยใกล้ๆกล้กันมากเพียงแต่ว่าให้เห็นว่าการเจริญกุศลธรรมนั้นต้องมีลำดับนะไม่ใช่ไม่มีลำดับอะไรสักอย่างเลยนะไม่ใช่พุ่งพวดพาดเลยนะในอวิชชาสูตรกับตันหาสูตรในทัศการนิบาตเหมือนกันในข้อ61นะเล่มเดียวกันเนี่ยเพียงแต่เปลี่ยนเป็นข้อ61ในข้อ61 62นะในในเล่มเดียวกันไปดูได้เลย ว่าอาวิชชาสูตรว่างั้นเถอะดูก ร, ราพิสูทธ์ทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏในการก่อนแต่นี้ว่างนันคือแต่นี้อวิชชาไม่มีแต่ภายหลังจึงมีเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวคํานี้อย่างนี้ว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นอวิชชามีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏคือคือก่อนหน้านี้อวิชชาไม่ได้มีก่อนใช่ไหมขณะผวังมีอวิชชาไหมมีไหม ไม่มีเนาะไม่มีพวังของใครมีาวิชาหรอกขณะที่ตันจัทวานวิถีเนี่ยก่อนที่ชาวนะจะเกิดมียวิชาเกิดไหมไม่มีแสดงว่าก่อนแต่นี้อวิชาไม่ได้มีมาก่อนใช่ไหมเพราะว่าอาวิชาเนี่ยมีปัจจัยจึงจึงเกิดดูกราพิสูงหลายเราย่อมกล่าวอาวิชาว่ามีอาหารอาหารนี่เป็นชื่อของ ปัจจัยปัจจัยมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของอวิชาควรจะกล่าวว่าอะไรนิวรณห้าเป็นอาหารของอวิชานี่นะแม้นิวรณ์ห้าเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ห้าอะไรุจริตสามควรกล่าวว่าทุจริตสามเนี่ยเป็นอาหารของนิวรณ์ห้า แม้ทุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของทุจริตสามควรกล่าวว่าการไม่สำรวมอินทรีย์นะไม่สำรวมอินทรีย์นี่แหละเป็นอาหารของทุจริตแม้การไม่สำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารแห่งการไม่สำรวมอินทรีย์ควรกล่าวว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะ คนไม่มีสติสัมปชัญญะก็ไม่สำรวมมินทรีแม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะควรกล่าวว่าอโยนิโสมนัสิการว่างั้นการกระทําไว้ในใจโดยไม่เยบคลายเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะแม้การทําไว้ในใจโดยไม่เยบคลายเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของการทำไว้ในใจโดยไม่แยบขายควรกล่าวว่าอโยนิโสมีอะไรเป็นปัจจัยไม่มีศรัทธานะไม่มีศรัทธาเนั่นแหละเลยไม่ฉลาดคิดเลยคือไม่มีศรัทธาในคำสอนเนี่ยนะก็เลยไม่อยากคิดตามอันนะแม้ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาควรกล่าวว่า ทำไมจึงไม่มีศรัทธาเพราะไม่ฟังธรรมเพราะไม่ฟังธรรมแม้การไม่ฟังธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการไม่ฟังสัตยธรรมอะ่ะอะไรนะอ่าแสดงว่าเข้าสูตรแล้วนะสูตรนี้ใช้ไหม่คือการไม่ครบสัตบุรุษดูกราภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังนี้การไม่ครบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่ฟังสัตยธรรมให้บริบูรณ์ การไม่ฟังสัตยธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการสัรว่าการไม่สัมรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ การไม่สํารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังทุจิยริษสให้บริบูรณ์ทุจริษสที่บริบูรณ์ก็ยังนิวรณให้บริบูรณ์นิวรณที่บริบูรณ์ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้โอ้ยกว่าจะอวิชชาจะเกิดได้ไม่ใช่ของง่ายนะจะว่าไปเนี่ยยากเหมือนนะโอ้มาจากการไม่คบสัตว์บุรุษเป็นต้นเนี่ยกว่าเขาจะเกิดได้เนี่ยโอ้มามายาวมากนะเกิดยากเหมือนกันนะ แต่ว่าแมมมันทำบ่อยมันก็เลยเกิดไม่ยากนะจริงๆคนจะโกรธคนหนึ่งก็ยากเหมือนกันนะแต่แมมมันบ่อยก็เลยไม่ยากนักดูกราฟที่สุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆยูน้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็ม ซ้อเขาลำทาและห้วยที่เต็มย่อมยังหนองให้เต็มหนองที่เต็มย่อมยังบึงให้เต็มบึงที่เต็มย่อมยังแม่น้ําน้อยให้เต็มแม่น้ําน้อยที่เต็มย่อมยังแม่น้ําใหญ่ให้เต็มแม่น้ําใหญ่ที่เต็มย่อมยังมหาสมุทรสาคอนให้เต็มมหาสมุทรสาคอนนั้นมีอาหารอย่างนี้ถ้าฝนไม่ตกตั้งกต่ต้นมาเลยเนี่ยนะไม่นานน้าทะเลก็แห้งเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าฝนมาตกมาเรื่อยเลยน้ําทะเลไม่แห้งทักที นะน้ำที่เราใช้ใช้นี่ก็ไหลลงทะเลหมดแหละเขาบอกว่ามหาสมุทรสาคร น, นั้นมีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้แม้ฉันใดดูกระพิสูจน์ทั้งหลายการไม่คบสัตว์บูรุษที่บริบูรณ์ ย, ออย่อมยังการไม่ฟังสัตวรทำเป็นต้นให้บริบูรณ์ก็จนถึงนู้นอวิชาก็เลยเกิดเลยอวิชาก็บริบูรณ์อย่างนี้นี่แหละดูกระพิสูจน์ทั้งหลายเรากล่าววิชาและวิมุติว่ามีอาหาร วิชาคืออะไรคือผลลยานและสัมปยุต ธ, ธรรมที่เหลือเนี่ยนะว่างั้นเถอะโสดาปฏิพลสกาธาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลเนี่ยนะมีอาหารเหมือนกันมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของวิชาและวิมุติควรกล่าวว่าโพชงเจตเป็นอาหารแห่งวิชาและวิมุตเออโพอชงในที่นี้ได้แก่อริยมรักนั่นเองนะหมายถึงอริยมรักษ์พ่อเมื่อกี้ผลนะใช่ไหม ผลก็ต้องมาจากมรรคแต่มรรคตรงนี้ใช้คําว่าโพชอชองแทนแม่พชอชองเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของโพอชองเจ็ควรกล่าวว่าสติปัฏฐาน4โอ้เก่งแล้วใช้ได้ครับขัข่าสูตรแล้วแม่สติปัฏฐานสี่เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสติปัฏฐานสี่อะไรสุจริสาม ก็แสดงว่าในอารมณ์1อารมณ์นะถ้าเราไม่มีการสุดจิตในอารมณ์นั้นๆเนี่ยนะเราจะเจริญสติในอารมณ์นั้นไม่ได้คือสติปัฏฐานคืออะไรคืออาศัมโมหสัมปชัญญะการพิจารณาอารมณ์นั้นโดยความเป็นขันธาตุอายตนะนั่นแหละเรียกว่าสติปัฏฐานไม่ใช่แค่นามรูปเฉยๆนะคือนามรูปมันใช้สําหรับคนที่มีความเข้าใจเรื่องนั้นเป็นอย่างดีอยู่แล้วเขาย่อมานะทีจริงก็คือในอารมณ์หนึ่งอารมณ์นั้นสามารถพิจารณาอารมณ์นั้นๆโดย ความเป็นขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์เป็นต้นนั่นเองเนาะไม่งั้นจะท่องไปทําอะไรเนาะกตีหตขันเทหตกตีหายตเนเหตท่องไปทําอะไรเนาะสอนด้วยเอามาใช้นาะสีได้กี่ขันได้กี่ธาตุได้กี่อายตนะได้สัจจะเท่าไหร่โทษนะท่านนั่งสักแบบนี้แล้วเอาทั้งอะไรเนะยอภัตติกานะอภันณฑะมาติกาเป็นต้นมาว่าให้หมดเลยนะเอาทั้งหมดหมดนั่นแหละมานั่งทวน เอามาต้องไปเรียบเคียงพุกการไงเพราะเพิ่งผ่านมาหยกๆยกเองสุจริตสามก็มีอาหารนะแม้สุจริตสามก็เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสุจริตสามอะไรกล่าวว่าการสำรวมอินทรีย์แม้การสำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์สติสัมปชัญญะ แม้สติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะควรกล่าวว่าโยนิโสมนสิการนะโยนิโสมคือการทำไว้ในใจโดยแยบคลายเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะแม่การทำไว้ในใจโดยแยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการทาให้ในใจโดยแยกคายควรกล่าวว่าศรัทธาศรัทธา แม้ศัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของศรัทธาควรกล่าวว่าการฟังสัตรรมแม้การฟังสัตรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการฟังสัตรรมควรกล่าวว่าการคบสัตว์บุรุษดูกะพิสูจน์ทั้งหลายด้วยประการดังนี้การคบสัตว์บุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังสัตรรมให้บริบูรณ์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 สุจริที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐานสีให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ี่ที่บริบูรณ์ย่อมยังโพชฌงเจ็ให้บริบูรณ์โพชฌงเจ็ที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์วิชาและวิมุตต์นี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้นะเป็นไปตามลำดับเลยนะาะจะเกิดจากปัจจัยใช่ไหมนับ10ก็ต้อง9ก่อนเนาะเก้จด หกห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งสองาี่ห้าเจ็ดแปเก้าิบั่นแหละจะต้องเป็นไปลักษณะนี้อยู่แล้วถ้าหากว่านะครับห้าเสร็จแล้วก็ค้างเต่งนั่นแหละเอ๊ะมาไงนี่จะไปไหนต่อเนี่ยมลักษณะนั้นแหล ะ, จะเจริญสติปัญญาเหมือนกันทำไมต้องเจริญสติปัญญาและสติปัญญาก่อนที่จะเกิดมาจากไหนไม่รู้สติจเจริญมากๆแล้วเป็นยังไงไม่รู้โอ้อาวิชาอย่างเดียวเศร้าจริงๆเลยนะ ก็มีความไม่รู้เป็นอาจารยคือศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาในที่นี้ก็ได้แก่เน้นอะไรนะเน้นว่าอิทาตะทาคะโตโรเกอุปันนอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนเนี่ยแหละเรียกว่าคนมีศรัทธา ไม่ใช่ศรัทธาสเปสสป่าเชื่อไปหมดเลยนะว่าใครมาปตาตรถาเขาไปหมดดีไปหมดเลยอ่ะแล้วจะจ ะ, จะได้อยากอยากเป็นคนมีตรัธามั่งอ่ะจะได้จะได้ศรัทธาให้บริบูรณ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะศรัทธาในที่นี้หมายถึงตถ า, าคตโพ ท, ที่ศรัทธานะศรัทธาว่าพระตถ า, าคตสเสด็จมาอย่างนั้นสเสด็จไปอย่างนั้นสเสด็จรู้ลักษณะที่ทองแท้ เห็นธรรมะที่ทองแท้มีวาจาที่ทองแท้กระทําเองและให้ผู้อื่นกระทำนั่นแหละพวกนี้แหะเขาเรียกว่าศรัท ธ, ธาในพระตถาคตพระตถาคตนั้นเป็นพระอรหันต์สิความหมายใช่ไหมสำ ม, มาสำมพุทโธหาในที่สุดไม่ได้วิชาสมวิชา8จารณะสิสุขโตมี4ความหมายโลกวิทูมีสองในในที่1นึ่ในแก่รู้อริยสัจสีในที่สองโลก3อนุตตโรไม่มีใครยิ่งกว่าโดยศีลสมาธิเป็นต้นนะ แล้วก็บุริสธรรมสารทีฝึกบุรุษให้เล่นไปในทิศทั้ง8คือเข้าสมาบัติ8เข้านิโรธสมาบัติเข้าผลสมาบัติได้เรียกว่าฝึกบุรุษบุรุษที่พระองค์ฝึกก็เป็นพระอาริยเจ้าแล้วก็เป็นสาถาเทวมนุษย์สานังสอนประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายนะแกเทวดาและมนุษย์พร้อมทั้งสเสดระชานด้วยเป็นผู้โทคือ ตรัสรู้อริยสัจผู้ยังสัตว์อื่นให้ตรัสรู้อริยสัจผู้ตื่นผู้หมดจากกิเลสโดยส่วนเดียวปราศจากราคะโทสะโมหะเป็นต้นโดยส่วนเดียวตรัสรู้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ตรัสรู้แล้วว่าพระองค์เป็นพักวาเป็นผู้มีโชคพักวาคือผู้มีโชคเนาะมีโชคผู้มีภาค่าธรรมนะผู้คลายภาคาธรรมพัควานี่เยอะนะนี่เดี๋ยวนานๆเข้าเราคงได้เรียนกับที่สระนะ ข้ อ, ข, อข้อก็ไปท่องให้สงสารพาระมั่งเ้อจำให้มั่งเ้อเรียกร้องความสงสาร น, นั่นกะันนี่ยนะช่วยจำให้ดีเถอสงสารพระพุทธเจ้าท่านกว่าท่านจะบำเพ็ญมารมีมาตัดสั้นเนอะสูตรนั้นให้จำแล้วค่อยๆเอาไปคิดตามแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำ น, นะ ความเข้าใจเนี่ยเมันคนละ ง, งานเลยอะ่ะคนละเรื่องจริงๆอ่าแล้วแม่พิสูจน์มาหลายเจ้าแล้วให้เขาใช้วิธีนี้เหมือนกันก็บอกว่าเอ๊ะเขาจะเหมือนเราหรือเปล่าอ่า ย, ยกผู้การทองชัยเนี่ยก่อนการทองชัยเขาก็สูตรถ้าเขากลอนเข้าฟังโอ้โหเขาว่าเขากะซึงแหละนะทีนี้ไปท่องไปจําแล้วเอาไปคิดเองนะพอไปจําได้ไปคิดเองเนี่ยกลับเข้าใจตอนต้นเนี่ยนะมันคนละอย่าง เธอมันเข้าใจดีกว่าเดิมมากมายอ่ะตอนนั้นมันมันพยายามเข้าใจอ่ะนะตอนฟังก็พยายามเข้าใจแต่ถ้าจําได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นอ่าผะหูสูตรนี่มีความสําคัญมากในเรื่องของการทรงจําถ้าความจําไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนะพระอนนทจะไม่ได้รับการสรรเสริญเลยใช่ไหมทำไมเขาชมพระอนนทล่ะเกินแล้วเพราะความที่พระอนนทเนี่ยจำมากนะท่านมีสติทําความจําของท่านมาก เมื่อท่านจำมากท่านฟังหนึ่งคำผพุทธพจน์หนึ่งบทนะท่านขยายท่านแทงตลอดหกหมืนบทเลยฟังหนึ่งบทคูณหกหมื่นบทแล้วพระพุทธเจ้าเทศทีหนึ่งชั่วชั่วโมงหนึ่งก็สักเท่าไหร่สมมตินะสักสามสี่หมื่นบทอย่างเงี้ยนะคูณหกหมื่นเข้าไปเนี่ยท่านจะเข้ารู้ขนาดไหนเนาะก็นั่งนึกว่าโอหพุทธเจ้าเหมือนกับจุดจุดพุ่ง น, นะจุดตรัยอะที่มีแสงนะจุดพุ่งขึ้นมาแตกก่อนนะใช่ไหมหนึ่งสมมติว่าแตกเป็นหนึ่งร้อยเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยไปแตกอีก เม็ดละร้อยในแต่ละเม็ดละร้อยเนี่ยแตกไปอีกโอมากมายขนาดไหนนะลึกซึ้งเลยกันนี่ไม่แบบแบบสีที่เราที่เขาเห็นจุดจุดประกายไฟไงจุดพลุอ่ะนะจุดพลุที่มีสี ม, สมีแสงอะ่ะถามคุณลุงอะ่ะเห็นไหมเวลาเขาจุดปุ้มเข้าไปใช่ไหมมันก็แตกเป็นสีอีกแตกหนึ่งก็จะแตกไปเรื่อยเรื่ อ, อมันก็เป็นช่อเป็นอะไรมันก็กระจายความรู้ในพระธรรมเนี่ยนะถ้าเราสามารถทรงจําได้ในหนึ่งคำเดี๋ยวก็เริ่มแตกตัว แตกตัวนี้ในการตรึกพระธรรมนั้นมีสูตรอยู่ว่าเวลาเราตรึกเรื่องใดนะต้องมีที่อื่นรองรับอีกนะไม่ใช่เราว่าของเราไปเรื่อยไม่ใช่นะต้องมีที่คําสอนรองรับอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ว่าที่เราคิดเนี่ยต้องตามสูตรนั้นตามสูตรนั้นสูตรนั้นเ <_ p id> ชื่อมไปหาพระสูตรอื่นอีกได้เห <_ p id> มือนกับร่างแหเนีเหมือนกับร่างแห่เนะี่ยคือเชื่อมต่อต่อต่อต่อต่อต่อกันไป เขาคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นตลอดระยะเวลา 45, สาี่สิบห้าพันศาเนี่ยนะไม่ผิดเท่าปลายเข็มแล้วเนื้อเรื่องสัมพันธ์กันตลอดเพราะพองค์ตรัสอยู่เรื่องเดียวพู้เเจ้านะคำสอนทั้งหมดนะสรุปเป็นหนึ่งได้ไห ม, มได้มีอย่างเดียวคือมีมุติรสนับเป็นสองเรียกว่าอะไรทำมีน่นยเป็นสามเรียกว่าปิดกสามติดกสามเป็นห้าเรียกว่านิกายห้า มี5นิกายเป็นเก้าเรียกว่าองค์เก้านวังคัศตุศาสตร์คำสอนของภาษาสดาที่ประกอบด้วยองค์เก้าคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะภูตธรรมเวทะละหน้าแรกของพระไตรปิฎกไปเปิดดูเลยในฉบับเก้าสบเ็ดเล่มนั่นแหละทีละสามนะสามครั้งนะสบายเลยนี่คาถาอุทานิติุตกะ ชาตกาภูตธรรมเวทละอะครบกล้าเลยเนี่ยเก่งมากเลยสามสามก็แบ่งจำแบบเขาจำหมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหมมีเจ็ดตัวนี้เขาก็ท่องทีเขาก็ท่องแบบนั้นแหละจำง่ายหน่อยไปเรื่อยเลยนะได้สูตรแล้วความจำนี่มีมีความสำคัญมากก็จะเริ่มแตกตัวในลักษณะนั้นแล้วก็ คำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะแบ่งเป็นโดยธรรมขันนะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันแต่ว่าแต่ละธรรมขันเนี่ยขยายได้มากมายแต่อย่าลืมว่าแต่ละธรรมขันนั้นพระโบราณอาจารย์เนี่ยนะโบราณอาจารย์ระดับดีกาอาจารย์เป็นต้นท่านนับถือว่าแต่ละธรรมขันเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เขาบอกว่าสมัยโบราณเนี่ยผู้ที่จะรชนาคำพีเนี่ยนะคือคือ เขียนพระไตรปิฎกเนี่ยนะคือจากอีกภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งเป็นต้นเนี่ยท่านให้ความสำํำคัญว่าพยัญชนะหนึ่งอักษรเนี่ยนะอักขระหนึ่งอักขระเท่ากับพระพุทธรูปหนึ่งองค์ท่านท่านมีศรัทธาขนาดนั้นแล้วท่านก็เขาทำจารึกนั้นคาสอนจึงเหลือมาถึงยุคเราไงแต่ถ้าท่านไม่มีศรัทธาขนาดนั้นเนี่ยไม่ถึงแน่นอนเพราะสมัยนั้นพิมพ์ก็ไม่มีโรงพิมพ์เขียนยังเดียว จานทั้งเขียนแล้วก็ใบเนี่ยนะมันก็ไม่ได้บางเหมือนกระดาษแล้วเนี่ยก็นาเอามาเป็นมัดอะ่ะช้างเนี่ยก็ต้องใช้ช้างอะ่ะขนเอาช้างก็ไม่ได้มีเสมอเหมือนรถปิ๊กอัพเนี่ยใช่ไหมไ ม, ไ, ไม่เปลอนก็ฉีดง่ายใช่ใช่เป็นเส้นๆแล้วก็ใช่แล้วก็ต้องเอาหาลายไปลงสีลงอะไรไปรมไปอะไรอีกครั้งโอ้เห็นของท่านแล้วยากมาก ของเราเนี่ยเขาไม่ได้กดตัวเอาเท่าไหร่อ่ะเป็นออกมาหรือเอาฉบับเดียวนี่นะไปถ่ายเอกสารจะเอาเท่าไหร่เอาครึ่งห้องก็ได้ใช่ไหม <S <S แป๊บเดียวอะ่ะคือมีบุญมากแต่ว่าดูใกล้ท่าจะหมดบุญอยู่เหมือนกันใช้บุญมากไปหน่อยเลยจะหมดบุญแล้วเพราะเพราะอะไรเพราะไม่ต่อบุญเลยอะ่ะใช้อย่างเดียวทรงจําไม่ได้ที่ดูนวะิวัฒนาการเราเนี่ยดีมากมายแต่ว่าดูท่าคําสอนอาจจะไม่ถึงหลานก็ได้เห็นไหม ขนขนาดคุณยากยังเข้าใจขนาดนี้แล้วหลานจะขนาดไหนเน้ออย่างนึกๆไปแล้วเหลนไปเอ ก, กไปกันใหญ่เลย <c oughs> ยังไงยังไงก็ถึงลูกถึงหลานมั่งก็ยังดีนะทาไม่เพื่อตัวเองก็เพื่อลูกเพื่อหลานก็ยังดีอ๋อพูดจนหมดเวลาเลยจะเร่งรุดการฟังธรรมเรวรี่จะน้อมนำศรัทธายิ่งพระสัมมาศรัท ธ, ธาสู่โยนิโส จะเพิ่มโตสตินาะสำรวมอินทรีย์พาสุจริตที่สมบูรณ์นานปิีสติประธานเป็นอาหารพ่อชงพูนวิชาวิมุตบูนบริสุทธิ์สุนิ พ, พันธ์สาธุเอ๊ะแป๊บเดียวนะนั่งด้วยกันนี่ยนะคนมีศิละปะนะโมทนารดจังกันคนมีศิละปะนะเจ้าเจ้่าดีๆ